สัจจาธิฐานจาคาธิฐานอุปสมาธิฐานและปัญญาธิธานอธิฐานธรรม4ี่ประการเนี่ยนะมีการกล่าวถึงว่าฐานะเหล่านี้จะบริบูรณ์เมื่อไรก็มีการกล่าวไว้หลายนัยยะด้วยกันนัยยะแรกบอกว่าชาติสุดท้ายเนี่ยนะอย่างพระพุทธเจ้าของเราคือชาติที่เป็นพระสิทธะเนี่ยนะ พระองค์เนี่ยชื่อว่าบําเพ็ญอธิฐานธรรม4บริบูรณ์อธิบายว่าพระโพธิสัตว์นั้นมีอธิฐานธรรม4ประการบริบูรณ์คือถ้าอบรมทั้งสัจจาธิฐานจารคาธิฐานอุปสมาธิฐานและปัญญาธิฐานได้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ก็จะเป็นพระโพธิสัตว์มาอุบัติในชาติสุดท้ายหรือภพสุดท้าย ท่านในการอุบัติในภพสุดท้ายนั้นพระโพธิสัตว์มีสติสัมปชัญญะอันนี้โดยเริ่มจากปัญญาที่ฐานเพราะว่าพระโพธิสัตว์นั้นก่อนที่จะจุติหรือก่อนที่จะเคลื่อนจากสวรรค์ชั้นดุสิตมีการพิจารณามหาวิโลกนะหประการและตอนที่ท่านจุติท่านก็มีสติสัมปชัญญะจุติ น, นะตอนที่อยู่ในคันท่านก็มีสติสัมปชัญญะอยู่ในคัน คลอจากคันท่านก็มีสติสัมปชัญญะคลอจากคันเพราะฉะนั้นความที่มีสติสัมปชัญญะอย่างนี้นี่แหละสาเร็จด้วยปัญญาที่ฐานนี่นะมีปัญญาดารงมัน่นดารงมั่นอยู่ด้วยปัญญาจึงมีอ่สัมปชัญญะเนี่ยนะคือรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาไม่เบลอไม่เลอะเลือนคือไม่เข้าใจผิดพลาดท่านเข้าใจวัตถุประสงค์ของท่านที่ท่านมาสู่คันที่ท่านอยู่ในคันการคลอดจากคัน มีเป็นคนที่มีเป้าหมายชัดเจนเนี่ยนะมีเป้าหมายชัดเจนไม่เผลอไม่ไม่เลอะเลือนไม่มีคำว่าผิดพลาดคือรู้ตัวว่ามาทำไมก็แปลพูดแบบภาษาเราบอกคนที่มีอายุยืนที่สุดในสังสารวัตแต่ตัวท่านอาจจะดูเด็กแต่ว่าจริงๆแล้วถือว่าเป็นคนที่อายุยืนมากเนี่ยนะเพราะไม่เผลอเลยไม่เผลอเลยว่าตัวเองมาจากที่ไหนอะไรยังไงไปทำไมทั้งหมดเนี่ยนะไม่เผลอเลยแม้แต่นิดเดียวอันนี้แหละสาเร็จด้วย ปัญญาพันเริ่มตั้งแต่ปัญญามีสติสัมปชัญญะในการอย่างลงสู่คันมีสติสัมปชัญญะในการอยู่ในครันมีสติสัมปชัญญะในการคลอดออกจากครันในการอย่างลงสู่พระคันการดํารงอยู่ในคันและการประสูดเนี่ยนะอันนี้ก็อาศัยอะไรปัญญาที่ฐานเพื่อจะให้สัจจาที่ฐานบริบูรณ์พอประสูตดในบัดเดียวพรองก็บ่ายพระพักสู่ทิศเหนือ ย่างพระบาทไปเจ็ก้าตรวจดูทิศทั้งปวงมีวาจามุ่งในสัจจะบรรลือาาศีหะนาฏที่เรียกว่าอาสพิวาจากล่าวว่าอโคหัมมสมิโลกัสะเชธโธหัมมสมิโลกัสะเศธโธหัมมสมิโลกัสะแปลงวจีสัจจะว่าเราเป็นผู้เลิศในโลกเราเป็นผู้เจริญในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐในโลก เลิศก็คือบอกว่าสุดยอดของคนแล้วไม่มีใครยอดกว่านี้อีกแล้วในบรรดาผู้ที่เจริญที่สูงสุดก็ไม่มีใครเท่านี้อีกแล้วเชิโถเนี่ยก็คือเชษฐถาก็คือพี่ในบรรดาผู้ที่เป็นพี่ท่านเป็นพี่ที่สูงสุดพรางั้นในบรรดาคนที่ประเสริฐบอกพระองค์เป็นผู้ประเสริฐที่สุดอันนี้เป็นวจีสัจจะว่าเนื่องจากว่าสัจจาทิฐานดารงมาอย่างดีเพราะนั้นคาพูดเหล่านี้เป็นสัจจะ เป็นคําพูดที่จริงเป็นคําพูดที่แท้เป็นคําพูดที่ไม่ผิดไม่พลาดเนื่องจากว่าเจริญสัจจะที่ฐานมาครบถ้วนบริบูรณ์พระโพธิสัตว์นั้นถือว่าเป็นผู้ฉลาดในการชี้แจงหรือในการแจกแจงธรรมะสี่ประการที่ที่เรียกว่าแจกแจงฉลาดในการจําแนกเทวทูตสประการพอเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นบันประชิตเนื่องจากว่าท่านก็ดํารงอยู่ด้วยความสงบด้วย อุปสมมาที่ฐานเพราะเมื่อเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นบันปะชิตท่านสงบความประมาทความมัวเมามาทะความเมาพอท่านเห็นคนแก่สงบความเมาความเป็นหนุ่มทันทีเลยนะบอกแม้เราก็จะต้องแก่อย่างนี้ใช่ไหมบอกใช่คนในวังทั้งหมดต้องแก่อย่างนี้ใช่ไหมทั้งโลกนี้จะต้องแก่อย่างนี้ใช่ไหมบอกใช่เพราะนะพูดแบบภาษาชาวบ้านหายซาในความเป็นหน่มเลย ร, รู้สึกว่า ความมัวเมาความซ่าอะไรแบบนั้นหายไปหมดเลยสงบประ ง, งับได้หมดเลยเพราะเห็นคนแก่แม้เราก็ต้องแก่เช่นนี้เพราะเห็นคนเจ็บเนี่ยนะเห็นคนป่วยนอนโอดโอยควรครางหายเมาจากความเมาจากที่ตัวเองสําคัญว่าเป็นผู้ที่มีเรี่ยวมีแรงมีพะละมีกําลังอะไรเรียกว่ายกอะไรนะสหัตถนูเนี่ยนูที่ต้องใช้แรงพันคนเนี่ยจึงจะยกขึ้น อะไรได้ท่านก็หายจากความเมาว่าท่านเนี่ยคนที่สุขภาพดีที่สุดแข็งแรงที่สุดก็หายจากความเมาเพราะเห็นว่าแม้เราก็ต้องเจ็บอย่างนี้เราก็ไม่ได้พ้นไปจากความเจ็บเลยพอเห็นคนตายเนี่ยนะพอเห็นเทวทูตคือคนตายท่านก็สงบว่าแม้แต่ชีวิตของเราก็จะสิ้นเช่นนี้ในที่สุดชีวิตของเราก็ไม่เหลือเหมือนกันเสร็จ แ, แล้วพอเห็นเห็นนักบวช ท่านก็สงบจากความยึดติดข้องในสมบัติทั้งหลายอันนี้เป็นอุปสมธทฐานนะเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นบันปะชิตก็ละความเมาในความเป็นหนุ่มละความเมาในความสำคัญตัวว่าไม่มีโรคละความเมาในชีวิตและก็สละความเมาในสมบัติทั้งหลายแปลว่าสงบสงบบาปสงบอกุศลสงบความเมาความประมาทเหล่านี้ได้เนี่ยนะ หายเมาเลยว่า ง, งั้นสั่งเลยนะัเรื่องนะพอเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นนักบวชเข้าสั่งป่วยเลยว่า ง, งั้นสั่งเมาเลยนะอุตส่ามเมาว่าตัวเองเป็นคนหนุ่มแน่นไม่มีโรคชีวิตอายุยืนยาวนานมัวเมาในสมบัติพอเห็นอย่างนั้นเข้าก็เลิกเมาในที่สุดก็มีการสละสละอะไรสละสมบัติทั้งหลายโดยไม่คํานึงอ น, นะสละญาติวงใหญ่ญาติวงใหญ่ไมครับว่าเป็นอันดับสุดท้ายของญาติไม่ใช่นะ เป็นแถวหน้าของของในบรรดาหมู่ญาติทั้งหลาย่นนะก็สละญาติสละจักรพัติราชสมบัติที่จะถึงเงืองประหัตโดยเริ่มจากคาธิฐานเริ่มเสียสละค็เรียกว่าสละทั้งหมดออกไปได้พันดูว่าอธิฐานธรรม4ประการก็ดูจากพบสุดท้ายก่อนที่จะมามาบวชเนี่ยนะก่อนที่จะมาบวชชีวิตนับตั้งแต่ปฏิสนธิยังลงสู่คันพระมารดาไปจนถึงการออกพนวด นี่แหละดูได้เลยว่าผู้มีอธิฐานธรรม4ประการเป็นอย่างนี้แหละอ่าอีกในหนึ่งในฐานะที่สองบอกว่าไม่หรอกอธิษฐานธรรมจะบริบูรณ์ในสมัยที่อภิสัมโพธิยาณสมัยที่การตรัสรู้ไม่มีการตรัสรู้ใดจะยิ่งกว่านี้อีกแล้วเนี่ยนะในสมัยที่ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะว่าในฐานะนั้นการตรัสรู้อริยสัจสี่เริ่มด้วยสัจจาธิฐานตามปฏิญญา แต่นั้นสัจจาทิฐานก็บริบูรณ์เนี่ยนะเพราะว่าการตรัสรู้อริยสัจเนี่ยนะในคืนตรัสรู้เนี่ยนะในคืนตรัสรูรสร้วัดคืนวันเพ็ญเดือนหเนี่ยพระองค์ประทับนั่งเมื่อประทับนั่งพระองค์ก็บอกว่าถ้าไม่ตรัสรู้ไม่ลุกเนี่ยนะไม่ตรัสรู้ไม่ลุกก็บอกว่าเนื้อและเลือดในสรีระจงเหือดแห้งไป ร่างกายนี้จะเหลือหนังเอ็นกระดูกก็ตามทีถ้าหากว่าไม่บรรลุคือว่าโดยสรุปเนี่ยถ้าไม่เป็นพระพุทธเจ้าไม่ลุกขึ้นแล้วก็นั่งเลแต่ว่าไม่ใช่ไม่รู้อะไรแล้วมานั่งให้บรรลุนะไม่ใช่แต่หมายความว่าท่านวิจัยมาเรียบร้อยเบ็ดเสร็จหมดแล้วเนี่ยว่าคืนนี้สมควรที่จะบรรลุในกระทั่งว่าจากเหตุการณ์ในหลายอย่างเช่นแม้กระทั่งความฝันด้วยเระหว่ามหาสุบินนิมิตคืนก่อนหน้านี้ท่านก็ฝัน อ่ะนะด้วยเหตุผลหลายๆประการแม้กระทั่งการลอยถาดการอะไรและก็การชําระการตรวจสอบสมถาวิปัสนามาเป็นอย่างดีเป็นต้นสมควรได้แล้วว่าน่าจะตรัสรู้ถ้าไม่ตรัสรู้ก็พอละว่า ง, งั้นเถอะก็สละเพราะว่าเข้าใจในวิธีการปฏิบัติเพื่อการตรัสรู้อย่างชัดเจนอยู่แล้วก็เลยกล่าวสัจจะอธิษฐานไว้เลยว่าถ้าไม่บรรลุไม่ลุกเนี่ยนะสัจจะวาจาอันนั้นสําคัญยิ่งให้ตรัสรู้อริยสัจ สัจจาที่ฐานก็บริบูรณ์เต็มที่เพราะบรรลุตามที่ตัวเองพูดเอาไว้จริงๆการสละกิเลสและสละอุปกิเลสทั้งปวงสละความเศร้าหมองทั้งหมดก็ด้วยจารคาทิฐานจากนั้นจารคาทิฐานก็บริบูรณ์เนี่ยนะเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นได้สละบาปอากุศลธรรมทุกชนิดทุกประเภทในโลกพร้อมทั้งเทวโลกไม่มีสิ่งใดที่จะทําให้พระองค์เป็นบาปอีกต่อไปเนี่ยนะ คือเมื่อมีการตรัสรู้แล้วเนี่ยไม่มีรูปธรรมนามธรรมเหล่าใดเป็นที่ตั้งแห่งอุปกิเลสเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสเป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าหมองเป็นที่ตั้งแห่งราคะโทสะโมหะได้ได้อีกต่อไปแล้วเนี่ยนะก็ด้วยอานาจจากาทิานเนี่ยนะสละสละออกไปสละบาปอากุศลธรรมเหล่านั้นด้วยอริยมรรคการบรรลุถึงความสงบอย่างยิ่ง โดยเริ่มด้วยอุปสมธิฐานแต่นั้นอุปสมธิฐานกบริบูรณ์เนี่ยนะก็ตรัสรู้ธรรมที่สงบอย่างยิ่งธรรมะอื่นที่จะสงบยิ่งกว่าพระนิพพานไม่มีความที่พระองค์ตรัสรู้ตรัสรู้ถึงธรรมะที่สงบอย่างยิ่งคือพระนิพพานเนี่ยนะอันนี้อุปสมธิฐานจึงบริบูรณ์เพราะความสงบที่แท้จริงก็ต้องสงบจากวัตถุทุกสงบจากสังสารทุกสงบจาก สังขารธรรมโดยประการทั้งปวงเมื่อเข้าถึงตรัสรู้ถึงธรรมที่สงบที่สุดนั่นแหละอุปสมาธิฐานการดำรงมั่นอยู่ในความสงบจึงบริบูรณ์ส่วนการได้อนาวรณายานอนาวรณายานก็คือยานที่รู้โดยไม่มีอะไรมาติดขัดมามาขวางกัน้นแค่นึกก็รู้และว่า ง, งั้นเถ อ, อนึกก็รู้ได้ทันทีเพราะนั้น อนาวรณญายานที่ว่าไม่มีอะไรมาขัดขวางขวางกั้นพระองค์ประสงค์จะรู้ทุกทุกก็แจ่มแจ้งพระสงค์จะรู้ทุกขสมุทัยทุกขสมุทัยก็แจ่มแจ้งประสงค์จะรู้ทุกขานิโรธทุกขานิโรธก็แจ่มแจ้งพระองค์จะตรัสรู้อริยมรรคอริยมรรกก็แจ่มแจ้งพระองค์จะตรัสรู้อัฏฐปฏิสัมพิทาธรรมปฏิสัมพิทานิรุตติปฏิสัมพิทาปฏิภาณปฏิสัมพิทาน้อมไปเพื่อปฏิสัมพิธาใด ปฏิสัมพิธาเหล่านั้นก็แจ่มแจ้งเรียกว่าอนนาวรณายาน น, นั้นน้อมไปเพื่อย ม, มะกะปาติหาริยานมหากรุณาสมาบัติยานอาสยานุสยายานอินดิยปโปรปริยติยานหรือสัพพานุตายานน้อมไปในยานเหล่าใดเหล่าใดญานเหล่านั้นก็แจ่มแจ้งอย่างนี้เรียกว่าอนนาวรณญ า, านเพราะปัญญานี้บริบูรณ์ปัญญาบริบูรณ์อันนี้จึงไม่มีผู้ใดทําอันตรายได้ แม้กระทั่งว่าสมมติว่าพระองค์นี้อยู่บนเตียงหามก็ไม่มีใครทำลายปัญญาได้นะไม่มีใครทำลายบอกเอาอะไรไปอัดทำให้พระพุทธเจ้าเบลอใช่ห้งงๆไปสักพักหนึ่งไม่มีเพราะปัญญาที่ฐานเนี่ยบริบูรณ์เต็มเปี่ยมสมบูรณ์เต็มที่ไม่มีอะไรจะไปปกปิดได้อีกแล้วก็อธิษฐานธรรมสี่บริบูรณ์เลยใช่ไหม บอกว่าบริบูรณ์ตอนไหนบอกตอนตรัสรู้สิเนี่ยนในยะที่สองฐานะที่สองบอกว่าอธิฐานธรรม4บริบูรณ์ตอนที่ตรัสรูเรเรสร้เป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอธิฐานธรรม4ี่บริบูรณ์แต่บางท่านบอกว่ายังยังไม่บริบูรณ์นักหรอกต้องมาดูฐานะที่สมสิจึงจะบริบูรณ์ฐานะที่สคืออะไรบอกว่าสัจจาทิฏฐานจะบริบูรณ์ก็ด้วยการประกาศอริยสัจที่ การแสดงธรรมจักสิ่นนะอธิษฐานธรรมสี่บริบูรณ์จริงนาวันประกาศธรรมจักฐานะที่หนึ่งเขาบอกว่าตอนเป็นพระโพธิสัตว์ฐานะที่สองตอนตรัสรู้ฐานะที่สามบอกว่าโน่นนะตอนประกาศธรรมจักนั่นแหละพัะสัจจาที่ฐานบริบูรณ์จริงๆก็ต้องประกาศอริยสัจจะแล้วนั่นแหละสัจจะจริงจะบริบูรณ์มันจะต้องแสดง อริยสัตว์โดยปริวัติ3อาการ12นี่แหละสัจจาทิฐานจึงบริบูรณ์เนี่ยนะพนบริบูรณ์แห่งสัจจาทิฐานต่อเมื่อประกาศอริยสัตว์นี่แหละสัจจะจึงจะแท้เหมือนกันส่วนจารคาธิฐานบริบูรณ์ด้วยการทำการบูชาใหญ่ซึ่งพระสัษยธรรมของท่านผู้เริ่มจากคาทิฐานก็บอกว่าต่อเมื่อมีเริ่มการปฏิบัต เนี่ยนะบูชาใหญ่บูชาด้วยวัตถุและบูชาด้วยการปฏิบัตินั้นโดยเฉพาะบูชาด้วยการปฏิบัติเช่นว่าบูชาอาริยมรักอันประกอบไปด้วยองค์8ด้วยการปฏิบัติอริยมรักอันประกอบไปด้วยองค์8การที่น้อมไปเพื่อการปฏิบัติในโพธิปัจขิยธรรมเหล่านั้นแหละจึงจะบริบูรณ์ด้วยจากาทิฐานเนี่ยนะ สละแท้ก็คือสละอย่างอื่นสละข้อปฏิบัติผิดๆมาปฏิบัติอยู่ในอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดเมื่อมีผู้ปฏิบัติตามนี้ได้นั่นแหละจากาทิฐานบริบูรณ์ส่วนอุปสมาธิฐานเนี่ยนะบริบูรณ์ก็เพราะสงบกิเลสเหล่าอื่นของผู้สงบด้วยตนเองผู้เริ่มด้วยอุปสมาธิฐานถ้าสงบจริงน่นโน่นอะต่อเมื่อพระอัญญาโกณทัญญาฟังธรรมแล้วสงบได้นะสงบจากบาปอากุศลคือเพราะว่า ปฏิญญาของท่านเพราะว่าเราสงบแล้วจะให้ผู้อื่นสงบด้วยเพราะเมื่อผู้อื่นปฏิบัติตามที่สอนแล้วเขาสงบได้เลยแหละอุปสมาธิฐานจึงบริบูรณ์ขึ้นส่วนปัญญาที่ฐานบริบูรณ์ด้วยการกําหนดอัธยาศัยเป็นต้นของเวนัยศัตร์ทั้งหลายของผู้เริ่มด้วยปัญญาที่ฐานปัญญาของพระพุทธเจ้าจะบริบูรณ์จริงๆนะก็ดูจากไหนดูจากพระองค์สา ม, มารถตรวจ อาสยอนุสยตรวจอัธยาศัยว่าการมัธยาศัยเนคข ม, มัธยาศัยพยาป า, าทัธยาศัยอะโลภาะอะโทสะอ โ, โมหัธยาศัยจริตจะไม่ว่าจะเป็นจริตหกหรือไม่ว่าจะเป็นพวกเจตนาคือตรวจดูอินทรีย์ความยิ่งความหย่อนอินทรีย์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายต่อเมื่อพระองค์ไข้ควรอย่างนี้ได้นั่นแหละปัญญาที่ฐานของพระองค์จึงบริบูรณ์บอกว่า ท่านหนึ่งก็บอกว่าแมยังไม่บริบูรณ์นะแสดงธรรมจักรนี้ก็อยู่ว่ายังไม่บริบูรณ์ทําไมละ่ะก็เพราะว่ายังไม่ได้ทําพุทธกิจเสร็จสิ้นต่อเมื่อทําพุทธกิจเสร็จสิ้นนี่สีอธิฐานธรรมสี่จึงบริบูรณ์แท้บริบูรณ์ยังไงก็ต้องโน่นวันปรินิพานนั่นแหละอธิฐานธรรมของพระพุทธเจ้าจึงเต็มเปี่ยมสมบูรณ์บริบูรณ์จริงแท้ดูยังไงดูบอกว่า ในฐานะนั้นสัจจอาทฐานบริบูรณ์ด้วยการบริบูรณ์แห่งปรมัตทสัจจะเพราะปรินิพานแล้วเพราะว่า ด, ดับวิบากและกรรมชรูปโดยไม่มีส่วนเหลือด้วยอนุปาทิเสสนิปานธาตุไม่เหลือรูปไม่เหลือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเนี่ยนะไอการดับขันห้าได้นี่แหละสัจจะจึงจะบริบูรณ์แท้แล้วก็จารคาธิฐานก็ต้องสละอุปธิสละขันธูปธิได้อย่าง จริงแท้เนี่ยนะสละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้จริงแท้นั่นแหละจากาที่ฐานบริบูรณ์ส่วนอุปสมาทิฐานบริบูรณ์ก็ด้วยการสงบสังขารธรรมเนี่ยนะสงบสังขตะธรรมทั้งหลายปัญญาที่ฐานบริบูรณ์ด้วยการให้สําเร็จประโยชน์นะสำเร็จแก่ประโยชน์ของพระองค์ได้บริบูรณ์สาเร็จประโยชน์แก่เหล่าสัตว์ได้อย่างบริบูรณ์สาเร็จประโยชน์ตน คือบำเพ็ญพระพุทธกิจได้อย่างเสร็จสิ้นสมบูรณ์ประโยชน์ของมวลเวนัยศาสตร์ทั้งหลายก็ปฏิบัติได้อย่างบริบูรณ์พระศาส ร, ร, รมคือพระพุทธศาสนาก็ดํารงมั่นอยู่ในโลกเมื่อพระศาสนาดํารงมั่นอยู่ในโลกพุทธกิจใดๆที่พระองค์ได้กระทำํำพระองค์ก็ทําเสร็จสิ้นแล้วมวลเวนยศัตร์ทั้งหลายที่สั่งสมบูรณ์บารมีพอที่จะได้ตรัสรู้ตามก็มีการตรัสรู้ตามแล้วนั่นแหละอธิษฐานธรรมบริบูรณ์ละกั้น นั้นในอธิฐานธรรมสี่ประการเนี่ยนะความบริบูรณ์แห่งสัจจาธิฐานเป็นความเฉียบแหลมของพระมหาบุรุษผู้เริ่มด้วยสัจจาธิฐานในอภิชาติอันเป็นเขตแห่งเมตตาโดยเฉพาะถ้าหากว่าเอาอธิฐานธรรมสี่ประการมาตรวจกับพรหมวิหารสี่เนี่ยนะก็จะเห็นว่าสัจจาทิฏฐานเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในขอบเขตของเมตตาลักษณะของเมตตาเนี่ยนะก็จริงนะว่าสัจจาทิฐานเนี่ยนะ ที่ที่พระองค์แม้กระทั่งว่าก่อนที่จะจุติจากดุสิตมาเกิดในพระคันเนี่ยนะท่านมีเมตานำหน้าเนี่ยนะเมตานำหน้าว่าการปฏิสนธิครั้งนี้เป็นการไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เหล่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะเป็นการเกิดเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เ่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพรานเป็นเมตตาที่น้อมนำประโยชน์สุขเข้าไปให้แก สรรพสัพตว์ทั้งหลายนั้นเป็นสัจจาทิฐานตามปฏิญญาครั้งแรกที่ได้ปฏิญญาไว้แล้วว่าเราตรัสรู้แล้วจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยอันนั้นก็เป็นเมตตาเนี่นะเป็นเมตตาแท้จริงว่าน้อมไปเพื่อการตรัสรู้ของสัตว์อื่นน้อมไปเพื่อข้ามพ้นจากวัตทุกข์ของสัตว์อื่นน้อมไปเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานแห่งสัตว์อื่นอันนี้ก็ด้วยอนุภาพของเมตตานี่นะสัจจาทิฐานก็บริบูรณ ความบริบูรณ์ด้วยปัญญาที่ฐานเป็นความเฉียบแหลมของพระมหาบุรุษผู้เริ่มด้วยปัญญาที่ฐานในอภิสัมโพธิยานอันเป็นเขตแห่งกรุณาโดยพิเศษเนี่ยนะพันในการปฏิบัติเพื่อการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะชาติสุดท้ายในถ้ำกลางสังคมวังวนแห่งลัทธิสารพัดลัทธิเนี่ยนะสมัยพุทธกาลเนี่ยลัทธิใหญ่ๆกสบสองลัทธิเนี่ยนะในบรรดาลัทธิมิจฉาทิฐิมากมายในยุคนั้น พระองค์เนี่ยมีปัญญามีปัญญาที่จะจำเนกแยกแยะว่าข้อปฏิบัติเหล่าใดเป็นข้อปฏิบัติผิดข้อปฏิบัติเหล่าใดเป็นข้อปฏิบัติถูกทิ้งข้อปฏิบัติที่ผิดไปปฏิบัติอยู่ในข้อปฏิบัติที่ถูกเนี่ยนะจนได้ตรัสรู้เมื่อมีการตรัสรู้แล้วก็ด้วยกรุณานะตรัสรู้ด้วยกรุณาเพราะว่าถ้าตรัสรู้สิ่งที่เป็นจริงก็สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้มีวิปัสสนาของ พระโพธิสัตว์ชาติที่เป็นพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นการเจริญวิปัสนาปราบรกรุณาสัตว์โลกนี้ลําบากหนอก็ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ด้วยความเกิดความแก่ความเจ็บความตายถึงกระนั้นสัตว์เหล่านั้นก็ไม่รู้ทำเป็นที่พ้นจากความเกิดแก่และตายทั้งหลายเป็นลักษณะของกรุณาที่น้อมไปที่จะเห็นใจเขาจริงๆสงสารเขา น้อมไปว่าทำชนะไนเขาจะได้ตรัสรู้ธรรมเป็นที่พ้นจากทุกข์พรันการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอภิสัมโพธิยานอันเป็นเขตแห่งกรุณาโดยพิเศษเพราะเป็นการเจริญวิปัสสนาที่ลักษณะที่เรียกว่าสลับกันกับกรุณาด้วยซ้ํานี่นะเป็นการเจริญวิปัสสนาที่สลับกับกรุณาที่มีความเห็นใจสัตว์จริงๆน้อมไปที่จะเปลื้องให้เขาเหล่านั้นพ้นจากทุกข์